ข้อความในอัตถกาถาพุทธวงศ์นนะมังคละพุทธเจ้าที่สามคือพระพุทธเจ้ามังคละดังได้สดับมาเมื่อพระโกนธัญสอาสดาสเสด็จ ด, ดับขันธปรินิพานศาสนาของพระองค์ดำรงอยู่แสนปีเนี่ยนะก็แค่ยุคเดียวนะยุคสองยุคก็หมดละเพราะพระสาวกของพระพุทธและพระอนุพุทธอันตรธาน ศาสนาของพระองค์ก็อันตรธานต่อจากสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนทัญญาพุทธเจ้าล่วงผ่านไปหนึ่งอสงไขในกับเดียวกันนี้แลก็เกิดพระพุทธเจ้าขึ้นสี่พระองค์กับนี้พิเศษเหมือนกันนะหายากนะกับที่มีสี่พระองค์อย่างกับนี้กับที่กำลังเป็นอยู่ปัจจุบันนี้มีห้าพระองค์นะ ก็ถือว่าเป็นกัปน้าอัศจรรย์เรียกว่าพัทธรกัปเป็นกัปที่เจริญที่สุดแล้วกัปปัจจุบันนั้นในอดีตก็มีอย่างมากก็สองค์อย่างกัปเนี่ยมีพระพุทธเจ้าพระนามว่ามังคละสมณนะเรวตะและโสพิตะในพระพุทธเจ้าสี่องค์นั้นพระพุทธพระพุทธเจ้ามังคละผู้นําโลกพระองค์ก็บําเพญบารมีสิหอสงไขย์กำไรแสนกับ พระพุทธเจ้าเหล่านี้ล้วนแต่วิริยาทิกะนี่นะสร้างบารมีมานานพระองค์ก็บริจาคมหาฐานคล้ายกับพระเวสสันดรก็ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตคือพระโพธิสัตว์นั้นก่อนชาติสุดท้ายนั้นแปลว่าจะต้องมาจากดุสิตเหมือนกันหมดแต่ว่าก่อนหน้านั้นเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ว่าก่อนจะมาเป็นมนุษย์นั้นเทวดาชั้นต่าง อย่างพระโพธิสัตว์ของเรานี่ก่อนที่จะมาเป็นพระเวสสันดรก็มาจากดาวดึงก็มาจากดาวดึงเมื่ อ, พ ร, อพระองค์บำเพ็ญบารมีมา16อสงไขยแสนกัปที่จริงแล้วถ้ารวมบารมีเต็มแล้วพระพุทธเจ้า ม, มังคละนี้บำเพ็ญบารมีเต็มทั้งหมด80อสงไขยแสนกัปแปดสิบ อ, อสงไขยแสนกัปนับว่าเยอะมากนะ สร้างบารมีมานอนจริงๆเลยแหละกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าทีนี้พอพระองค์เกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตดำรงอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตจนครบอายุไขก็มีบุพนิมิตห้าประการสำหรับเทพผูบุตรที่จะเคลื่อนจากเทวโลกบุพนิมิตห้าประการมีอะไรบ้างก็คืออันนดอกไม้ประจำตัวเหี่ยวเฉาลงผิวพรรณเริ่มเศร้าหมอง เหื่อออกรักแล้วแล้วก็ไม่ยินดีในที่อาดเริ่มค้าบว่าเริ่มกวนกวายและจิตใจไม่ค่อยปกติแล้วก็เกิดโกลาหนขึ้นเกิดพุทธโกลาหนขึ้นครั้งนั้นเทวดาในหมื่นจักรวาลก็มาประชุมกันในจักรวาลนั้นแล้วก็พากันมาอ้อนวอนว่า กาโลยังเตมหาวีระอุปัชฌามตุกุชยังสเทวกังตารยันโตพุทชโสอมตังปะทังข้าแต่ท่านพระมหาวีระนี้เป็นกาละอันสมควรสำหรับพระองค์โปรดเสด็จอุบัติในพระคันของพระมารดาเทิดพระองค์เมื่อทรงยังโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามโอกะสงสารโปรดตรัสรู้อมะตะบทเถิดพระเจ้าค่าก็คือถ้าหากว่าพระองค์ไป ไปอยู่ในพระคันของพระมารดาหลังจากคลอดแล้วตอนหลังพระองค์จะได้ตรัสรูพ้พระนิพพานเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็จะช่วยสัตว์เหล่าอื่นให้ข้ามคือให้ตรัสรู้ด้วยมันบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วที่จริงเขามีคำมาราธนาเพิ่มเติมบอกว่าพระองค์นี้ตั้งความปรารถนามาพระองค์ก็ไม่ได้ตั้งความปรารถนามาเพื่อเป็นเท้าักกะไม่ได้ตั้งความปรารถนามาเพื่อเป็นมารเป็นพรหม ไม่ได้ตั้งความปรารถนามาเพื่อเป็นจั ก, กรพรรดิเป็นต้นโดยที่แท้แล้วพระองค์สร้างบารมีมาเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วโปรดนะโปรดโปรดโปร ด, ปรดตรัสรู้อ ม, มตะบทเถิดเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็จะยังโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามโอคะสงสารพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่ได้รับอาราธนานั้นจะ จะไม่รับคำเลยทันทีจะต้องใคร่ครวนก่อนอันนี้เป็นเรื่องปกติเหมือนอย่างว่าพ่อค้าเขาต้องตรวจสินค้าก่อนที่จะค้าขายเหมือนพระพิสูจน์ที่จะฉันอาหารต้องตรวจดูเวลาก่อนตรวจดูอะไรหลายอย่างก่อนท่านจึงจะฉันแล้วก็เหมือนอย่างว่ามีผู้ที่ต้องคิดคำนวณ อ, อนาคตก่อนแล้วค่อยรับปากรับคำรมฉันใดพระโพธิสัตว์ก็ฉันนั้นก็ตรวจดูมหาวิโลกนะหประการานะเช่นตรวจดูว่า มนุษย์ยุคนั้นอายุเท่าไรควรจะเกิดที่ไหนใครเป็นบิดาใครเป็นมารดามารดามีอายุเท่าไหร น, นะเป็นตอนเขาจะมีการไข้คววรวญเบ็ดเสร็จแล้วค่อยรับคําหลังจากรับอาราธนาแล้วก็จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตถือปฏิสนธิในพระครันของพระนางอุตราเทวีราชสกุลของพระเจ้าอุตระเนี่ยน ะ, ะคำว่าพระเจ้าเหนือว่ากันนพระเจ้าเหนือนับถือว่าพระเจ้าเหนือ อุตระแปลว่าทิศเหนือนะหรืออุตระแปลว่ายอดก็ได้แปลว่าเลิศก็ได้เป็นผู้ยอดเยี่ยมในอุตรานครซึ่งเป็นนครที่สูงสุดเหนือนครทุกนครเระวาสุดเป็นเมืองเมืองเอกเมืองเลิศนะครั้งนั้นได้ปรากฏปาฏิหาริย์เป็นอันมากปาฏิหาริย์ก็อย่างที่กล่าวไปแล้วในเรื่องบุพนิมิต32ประการในเรื่องของพระพุทธเจ้าพระนามวถีปังกร นับตั้งแต่พระมังคละมหาสัตว์ผู้เป็นมงคลของโลกมงคลนี่แปลว่าเหตุแห่งความเจริญพระองค์เนี่ยเป็นผู้สร้างความเจริญให้แก่โลกทรงถือปฏิสนธิในพระคันของพระนาง อ, าอุตระมหาเทวีพระองค์นั้นรารสมีแห่งพระสรีระก็แผ่ไปตลอดเนื้อที่แปดสิบศอกทั้งกลางคืนทั้งกลางวัน แสงจันและแสงอาทิตย์ก็สู้ไม่ได้นะรัศมีเนี่ยพุ่งออกจากตัวโดยรอบประมาณแปดสี่สิบเมตรเนี่ยนะสี่ิบเมตรโดยรอบปกติเลยถามว่าด้วยอะไรก็ด้วยอนุภาพแห่งบุญบุญที่ทำไปแล้วบางท่านบอกมันจะเป็นไปได้ยังไงบอกทำไมจะเป็นไปไม่ได้ก็แสง ส, อสปอตไลท์นีออนเนี่ยสร้างบารมีม า, าสิบหกกขัยขที่ไหนก็ยังสว่างเลยตั้งมากมายและผู้สร้างบารมีมาขนาดนี้จะมีแสงสว่างทาไมจะไม่ได้นะ พระองค์ก็กำจัดความมืดนะโดยรัศมีแห่งพระสรีระที่เกิดจากพระองค์โดยไม่ต้องใช้แสงสว่างอื่นเลยใช้ชีวิตด้วยแสงสว่างที่ออกจากตัวเนี่ยนะพระพี่เลี้ยงนางนม68ดนางคอยปรนิบัติอยู่แต่ว่ามีแม่นมเยอะนะคอยดูแลคอยอุปถัมภ์เตือนเวรกันดูเนี่ยนะเล่ากันมาว่าพระนางอุตตราเทวีนั้นมีเทวดาอารักขา แล้วก็เทวดาชั้นจาตุมนั่นแหละโดยเฉพาะท้าวมหาราชมาทั้งหมื่นจักรวาลเนี่ยมาคอยดูแลเปลี่ยนกะกันเหมือนกันครบทสมาตรสิบเดือนผ่านไปก็ประสูติพระมังคละมหาบุรุษณะมงคลราชอุทยานชื่อว่าอุตระอุตรมธทุระอุทยานอันเรียกว่าอันมีไม้ดอกหอมอบอวนไปหมด ไม้ต้นติดผลที่มีกิ่งและขาคบประดับด้วยดอกบัวต้นและดอกบัวสายในป่า น, นั้นก็มีเนื้อกวางราชสีเสือช้างโคลานควายเนื้อฟานและฝูงเนื้อนาน า, นาชนิดเที่ยวกันไปถือว่าเป็นป่าที่น่ารื่นรมไม่น่ารื่นก็น่าจะราชสีกับเสือนี่แหละผวาอยู่เหมือนกันนะไม่รู้จะโดนกัดหรือเปล่าก็ไม่ทราบ พระโพธิสัตว์นั้นพระองค์นั้นพอประสโสะเท่านั้นก็ทรงแลดูทั่วทุกทิศหันพระพักไปสู่ทิศอุดรทิศอุตรประเทศอุดรย่างพระบาทเจก้าเปล่งอาศพิวาจาว่าอย่างที่กล่าวไปแล้วนะเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกนะหรือเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัตรนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไป ขณะนั้นเทวดาทั้งสิ้นหมื่นโลกธาตุก็ปรากฏกายประดับองค์ด้วยทิพมาลัยเป็นต้นยืนอยู่ณที่ น, นั้นแท้สองถวายสาดุดดีชยมังคลปาฏิหาริย์ทั้งหลายสาสิบสองอย่างตามที่กล่าวมาแล้วในทงนั้นน่ะในวันขนานพระนามพระหมหาบุรุษนั้นโหนก็ทำนายลักษณะขนานพระนามว่ามังคละกุมารเพราะประสูดด้วยมงคลสมบัติทุกอย่างเขาเรียกว่า สิ่งใดที่เขาเชื่อกันว่าเป็นมงคลเนี่ยนะรูปเหล่าใดสั ญ, ญลักษณ์เหล่าใดที่ประกาศถึงความมีมงคลสิ่งเหล่านั้นมีอยู่ในพระองค์ทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นก็เลยเรียกว่ามงคลแปลผู้สร้างความเจริญหรือผู้มีแต่ความเจริญเพราะมงคลนี่แปลว่าเหตุแห่งความเจริญเนี่ยนะได้ยินว่าพระมหาบุรุษนั้นมีปราสาทสามหลังคือยศวหาลุจิมาสิริมาสตรีเหล่านักฟ้อนรําขับเพลงก็จํานวนสามหมื่นครับ มีพระนางยะสวดีเป็นประธานณปราศาสตนั้นพระมหาศาสตร์เสวยสุขเสมือนที่ผสุขเหมือนความสุขของเหล่าเทวดานะอยู่เก้าพันปีพระองค์ก็ได้ทรงพระอุรสพระนามวสีลาวานะผู้มีศีลในพระคันของพระนางยะสวดีพระอัครมเหสี พระองค์ก็ทรงม้าตัวงามนามว่าปันฑระที่ตกแต่งตัวดีแล้วปันดระแปลว่าตกแต่งกันะเป็นม้าที่แต่งกล้สวยงามเสด็จออกมหาพิเนศกรมทรงผนวดมนุษย์สามโกดก็พากันบวชตามเสด็จพระมหาสั์ที่ทรงผนวดพระองค์นั้นพระมหาบุรุษอันพระภิกษุเหล่านั้นแวดล้อมแล้วทรงบำเพ็ญความเพียรอยู่8เดือนองค์ก่อนกี่เดือน สิเดือนบ้าง8ดเดือนบ้างเจ็ดเดือนบ้างนะนะก็ตามสมควรจากนั้นไปก็เสวยข้าวมาทุปายาบมีทิพโอชะที่เทวดาใสาเอาไว้อันนางอุตราธิดาของอุตรเศษฐีณนะหมู่บ้านอุตรค า, ามเรียกว่าตั้งชื่อตามะนะตั้งตั้งชื่อตามเมืองอะนะส่วนใหญ่ก็ตั้งชื่อตามเมืองถ้าใครที่ประเสริฐที่สุดเจริญที่สุดดีที่สุดรวยที่สุดณนะหมู่บ้านนั้นก็ ใครเกิดณนะที่นั้นชื่อตามนั้นเลยอย่างพภาษาริบบที่ก็ชื่อว่าอุปติสะเพราะว่าเกิดในหมู่บ้านอุปติสะคามพระโมคลานะก็ชื่อว่าโกลิตะเพราะว่าเกิดในโกลิตะคามนี่ยนะก็ตั้งชื่อตามหมู่บ้านเลยหลังจากที่พระองค์เสวยข้าวมาทุบายาก็ยับยั้งพักกลางวันณนะสาลวันก็เรียกว่าป่าสาละซึ่งประดับด้วยมาประดับด้วยไม้ดอกหอมกล่นมีแสงสีเขียวหน้ารื่นรม ทรงรับญ้าแปดกรรมที่อุตระอาชีวกถวายออพระพุทธเจ้าองค์นี้มีแต่อุตระเกือบทั้งหมดเลยนะทุกอย่างมีแต่เนื้อเนื้อยอดยอดเลิอดเ ล, ดเลดืประเสรเิฐปเสรสูงสุดหมดเลยเสด็จเข้าไปยังต้นไม้ที่ตรัสรู้ชื่อว่าต้นนาคาต้นกากระทิงมีร่มเงาเย็นคล้ายอัญชนะคิรีอัญชนะคีรีภูเขาเย็นสบายว่างั้นสีครามแก่ต้นกากระทิงเนี่ยนะสีสีครามแก่ประหนึ่งมียอด มีตาข่ายทองในคลุมเว้นจากการชมนมของฝูงมรึกนานาพันแปลว่างเงียบมะนะประดับด้วยกิ่งหนาทึบนะที่ต้องลมอ่อ น, ออนๆแกว่งไกวคล้ายฟ้อนรำถึงต้นานาคาโพธิที่น่าชื่นชมก็คือพระโพธิสัตว์พอไปถึงแล้วก็ทรงกระทำประทักษิณเดินเวียนขวาเวียนขวาเนี่ยบางคนไม่เข้าใจนะนะก็เอามือเอาต้นมเอาเอาต้นโพเอาเจดีเอาไว้ข้างซ้ายตัว ก็นึกว่าอยู่ข้างขวาว่า ง, งั้นประทักประทักขวาหมายคาอว่าเจดีหรือต้นโพหรืออะไรที่ตัวเองนับถือต้องอยู่ด้านขวามือของเร า, เานะหมายถึงว่าสังเกตดวูวิธีจะเดินให้เดินประทักศิลเดินยังไงสิ่งที่เราเคารพต้องอยู่ด้านขวามื อ, อนะถ้าอยู่ด้านซ้ายเขาเรียกว่าไม่เคารพเนี่ยถ้าอยู่ด้านข้างขวามือเราเนี่ยนั่นแหละเรียกว่าเคารพฝ่ายพระโพธิสัตว์นั้นก็ประทับยืนด้านทิศ อีสานตะวันออกเชียงเหนือเสร็จก็ล่าดญ้าสันทัดญ่า48ศอกนะสันทัดแปดห้าศอกประทับนั่งขัดสมาธิเหนือสันทัดญ่านั้นเครี่ยวเครื่องลากที่ทําด้วยญ้าทรงอธิษฐานความเพียรอันประกอบไปด้วยองค์สทรงทําการพิจารณาปัจจัยการคือก็กล่าวนะว่าพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์นั้นต้องเจริญอาณาปานสติ ต้องระลึกชาติในปฐมยามรู้สัตว์เกิดสัตว์ตายในมัชิมายามพิจารณาปฏิจจสมุปบาทในปชิมายามคือพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ล้วนแต่พิจารณาปฏิจจสมุปบาทคือโดยสมถะอนาปานสติโดยวิปัสนาเน้นปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ยังลงโดยธ ร, รมอนิจจาลักษณะเป็นต้นในสังขารทั้งหลายนะลักษณะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา พระองค์ก็บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโดยลำดับแล้วก็แปลงอุทานคือตอนเช้าอรุณขึ้นสว่างตรัสรู้พระอรหั ต, ตผลแล้วพระองค์ก็แปลงอุทานว่าอเนกชาติสังสารังสรนถาวิสังอนิิสังขหาการังคเวสันโตทุกขาชาติปุณปุนังขหาการกะทิทโสสิปุณะเคหังนากาหสิ สัพพาเตภาสุกาภักขาภะปูตังวิสังขตังวิสังขารัตังจิตตังตันห้าหนังขยมัชคาก็แปลว่าเราสแสวงหาตันหาหนายช่างผู้สร้างเรือนเมื่อไม่พบก็ท่องเที่ยวตลอดชาติสงสารเป็นอันมากนะนะก็อันนี้พี่สังก็คือไม่พบไม่ปะไม่เจอนะไม่เจอด้วยยานไม่เจอด้วยปัญญาเมื่อไม่เจอก็ต้องท่องเที่ยว ชาติคือการเกิดไหลไปตามขันธาตุอายตนะไม่มีจบมีสิ้นท่องไปพันทุกขาชาติปุณั์ปุหนังการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์นะกหาการกะทิโทสิมา ง, งั้นนะบอกดูก่อนตามหานายช่างผู้สร้างเรือนตัวท่านเราพบแล้วท่านจากสร้างเรือนไม่ได้อีกแล้วโครงเรือนคือกรรมของท่านเราก็หักเสียหมดแล้วโยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้ว จิตของเราถึงธทรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้จิตของเรามีอรหัตมีพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วเพราะเราบรรลุธรรมที่สิ้นตัณหาคืออรหั ต, ตผลบอกว่าหลังจากที่ตรัสรู้พระองค์ก็มีรัศมีแห่งพระสรีระคือรัศมีสีหประการที่พุ่งออกจากพระวรกายของพระมังละพุทธเจ้ามีเกินยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์อื่น รัศมีแห่งพระสรีระของพระองค์ไม่เหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์อื่นๆซึ่งมีพรัศมีสรีระบางองค์ก็ประมาณ8ปศถ้าอย่างพระพุทธเจ้าของเราโดยปกติก็ประมาณหนึ่งวาโดยรอบเนี่ยนะวาเดียวส่วนรัศมีแห่งพระสรีระของพระมังคละพุทธเจ้านั้นน่ะแผ่ไปตลอดหมื่นโลกธาตุเป็นเนืองนิดนิรันต์หมายคือว่าสว่างตลอดเลยนะสว่างเท่าไหร่ หมื่นโลกธาตุต้นไม้ภูเขาเรือนกำแพงหม้อน้ำบานประตูเป็นต้นได้เป็นเหมือนหุ้มไว้ด้วยแผ่นทองอนนเพราะอะไรเพราะว่าสีผิวของพระพุทธเจ้าผิวเหมือนผิวทองทองคําชมพูนุชที่ละเอียดบริสุทธิ์แล้วก็พันรัศมีที่พุ่งออกมาโดยรวมก็คือสีทองแต่ผสมกับสีอย่างอื่นอีก6สีแต่ทั้นด้วยด้วยผู้ทาด้วยสีทองแห่งผิวของพระองค์เนี่ยทุกอย่างเหมือนหุ้มทองหมดเหมือนเหมือนทุกอย่างถูกปิดทองหมดเลยนะ ทุกแห่งได้รับการปิดทองเหมือนพระพุทธรูปปิดทองหมดเลยพระองค์นั้นมีพระชนมายุถึงเก้าหมืนปีพูดถึงรัศมีของพระองค์นั้นรัศมีของดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดวงดาวเป็นต้นก็ไม่มีตลอดเวลาถึงเท่านั้นเพราะอะไรเพราะว่ารัศมีของพระองค์กลบไว้หมดเลยนะสีแห่งรัศมีอย่างอื่นเนี่ยครอบงำอะไรไม่ได้เลย ส่วนการกำหนดกลางคืนกลางวันก็ไม่ปรากฏสว่างหมดตลอดเนี่ยนะไม่มีคำว่ามืดเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายทำการงานทุกอย่างด้วยแสงสว่างของพระพุทธเจ้าเท่านั้นโอ้ช่วยเหลือสรรพสัตว์ได้ไม่ใช่น้อยเลยนะ เพราะฉะนั้นเหมือนทำงานด้วยแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันยากจะทํางานเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นไฟฟ้าไม่ต้องพวกสร้างโรงงานไฟฟ้าเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องอะไรสักอย่างทุกอย่างสว่างหมดประิตย์น้ำมันก็ขายไม่ออกอะไรก็ทําไม่ได้นะเพราะสว่างหมดเลยแสงสว่างแห่งคืออาจจะเห็นดวงกลมๆแต่ว่าไม่สว่างอะไรคือทุกอย่างก็ยังเป็นระบบตามเดิมหมดทุกอย่างแต่ว่ามันไม่สว่างนะก็เหมือนกับหลอดไฟในยามกลางวันเท่านั้นแหละมันทำอะไรได้ก็ตั้งโชว์ไปอย่างนั้นแหละ ดังดวงจางดวงอาทิตย์ก็มีไว้โชว์เท่านั้นเองไม่ได้มีไว้สว่างตอนที่พระองค์มีพระชนอยู่นะทีนี้าถามว่าเมื่อมันสว่างอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นรู้ได้ยังไงว่าเป็นกลางคืนและกลางวันก็บอกว่าโลกกําหนดเวลาตอนกลางคืนตอนกลางวันโดยสังเกตจากดอกไม้ดอกไม้เนี่ยก็จะบานในยามเย็นและก็นกจะร้องในยามเช้า สังเกตจากต้นไม้จากใบหญ้าจากต้นพวกนกพวกกาพวกไก่ถ้าไก่ขันกี่ครั้งควรจะเป็นเวลาเท่าไหร่นะคสังเกตจากเสียงนกเสียงกาอเอานะถามว่าอนุภาพนี้ของพระพุทธเจ้าพระองค์อื่นๆไม่มีหรือพระพุทธเจ้าทุกองค์ทําให้มีรมัศมีสว่างตลอดหมื่นโลกประเทนี้ได้ไหมแต่ว่าไม่มีก็หาไม่ได้แปลว่าทุกองค์ทําได้หมดอะแต่พระพุทธเจ้าเหล่านั้นไม่ประสงค์จะทํา คือไม่เห็นประโยชน์อะนะไม่เห็นประโยชน์ในการทําแบบนั้นถ้าเห็นประโยชน์พระองค์ก็ทําละความจริงพระพุทธเจ้าแม้เหล่านั้นเมื่อพระองค์ทรงประสงค์ก็ทรงแผ่พระรสมีไปได้ตลอดหมื่นโลกธาตุหรือจะให้สว่างยิ่งกว่านั้นก็ได้แต่รัศมีแห่งพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้ามงคลเนี่ยแผ่ไปตลอดหมื่นโลกธาตุเป็นนิจนิรันต์แปลว่าเป็นปกติเป็นธรรมดาเหมือนรัศมีวาหนึ่งของพระพุทธเจ้าพระองค์อื่นๆ ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะความปรารถนาเอาไว้ตั้งแต่เบื้องต้นคือพระองค์มีใจที่จะให้รัศมีเนี่ยสว่างแบบนี้มานานเพราะฉะนั้นอัธยาศัยตัวนี้ทําให้พระองค์แผ่พระฉับพลันรังสีเนี่ยเปล่งไปทั่วหมื่นจักรวาลเล่ากันว่าในครั้งที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะพระมังคละพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงมีพระโอรสและพระฉายา พระชายาเนี่ยนะพระชายาในอัตภาพเช่นเดียวกับอัตภาพพระเวสสันดรก็คือคล้ายๆพระเวสสันดรนะแปลว่าถูกไล่ไปอยู่เขาวงกฏกันหมดอ่ะเพราะอะไรเพราะให้ทานเนี่ยนะพระองค์ก็ประทับอยู่ภูเขาเช่นเดียวกับภูเขาวงกฏครั้งนั้นยักษ์ผู้มีศักย์ใหญ่ตัวหนึ่งเป็นยักษ์กินมนุษย์เป็นอาหารชอบเบียดเบียนคนทุกคนเชื่อว่าคราขาทิกะแปลว่ายักษ์มีเขีย้ยวอะไรนะอ่านะ ทาถก็คือพระทาถาก็คือเขี้ยวแข็งมากเลยนะพันยักษ์ตัวนี้ได้ข่าวว่าพระมหาบุรุษชอบให้ทานเป็นนักให้ทานเป็นนักบริจาคทานให้จนเ้าไล่ออกเมืององ น, น, นั้นะก็เลยแปลงกายเป็นพรามเข้าไปหาพระโพธิสัตว์นั้นตกติแล้วเนี่ยนะบอกว่าท่านเห็นผู้มาขอเนี่ยรักเหมือนบุตรตนเลยนะเหมือนลูกเดินมาเยี่ยมอย่างนั้นอะ่ะเห็นคนมาขอแล้วท่านดีใจอย่างนั้นะ่ะ เพราะฉะนั้นเวลาเห็นใครมาพระโพธิสัตว์จะดีใจท่านอยากได้อะไราจะเอาอะไรเนี่ยแท้ ถ, ถ, าถามว่าถ้าไม่มีอัธยาสาัยแบบนี้นะสอนให้ผู้อื่นบรรลุมรรคผลไม่ได้มันจะตณีมันมั น, ม, นมันไม่น้อมไปเพื่อแสดงไม่น้อมไปเพื่อสละประโยชน์สุขส่วนตนพันธุ์ทับโดยพื้นเพพื้นฐานอัธยาศัยพระโพธิสัตว์จึงเป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นพระพุธทธเจ้าแล้วจึงเป็นผู้ที่ให้ให้เกินกว่าเขาบอกว่า พระเป็นพระพุทธเจ้าชาติเดียวเนี่ยถ้านับถึงการให้และอดีตเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ให้ ม, หมากเท่ากับชาติที่เป็นพระพุทธเจ้าชาติที่เป็นพระพุทธเจ้าให้สูงสุดให้ทั้งโลกิยสมบัตินะให้ทั้งมนุษย์สมบัติให้ทั้งสวรรคสมบัติให้ทั้งนิพพานสมบัติเนี่ยนะสมบัติเราใดที่พระพุทธเจ้าไม่ให้ไม่มีเพราะฉะนั้นผู้ที่จะให้ได้มากขนาดนี้ต้องเป็นนักให้มาตั้งแต่อดีตตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นเห็นใครมาก็ช่างเถอะ ที่มาขอเนี่ยท่านจะมีความสุขท่านจะดีใจเนี่ยนะท่า น, นก็พรามคนนี้ที่เป็นยักษ์แปลงมาเนี่ยก็มามาถึงก็มาขอทารกคือขอลูกชายกับลูกสาวสองพระองค์กับพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็ดีพระไถ่ดีใจที่เขามาขอลูกคิดว่าเราจะให้ลูกน้อยสองคนแก่พรามดังนี้เสร็จแล้วพระองค์ก็ประทานพระราชบุตรทั้งสองพระองค์นั้นแล้วทําแผ่นดินให้วันไว้ จนถึงน้ำาะนะก็อย่างที่กล่าวว่าลูกท่านจะไม่รักก็หาไม่จริงๆแล้วถ้าเรื่องปกติพื้นฐานท่านก็ตายแทนลูกได้หมดนั่นแหละท่านก็รักลูกเสมอด้วยชีวิตแต่ว่ารักโพธิญาณมากกว่าเพื่อโพธิญาณจำต้องบริจาคลูกเนี่ยนะ บางคนบอกโอ้ยใจจืดใจดําเท้บริจาคให้ลูกเป็นทานได้แต่ให้ขับมอเตอร์ไซค์ไปชนกันตายอ่ะได้แต่ว่าบริจาคเป็นทานไม่ได้นะแปลกนะเพราแม่หลายคนสบายใหม่บอกทำอย่างนี้ได้ยังไงอย่างนั้นเนี่ยนะก็มีคนไม่ใช่น้อยบอกโอ้ยทาไม่ได้หรอกว่าบริจาคอย่างนี้ได้ยังไงเป็นต้นที่จริงยังก็ว่าถ้าไม่บริจาคแล้วจะไม่มีการจากกันอย่างนั้นแหละมันยังไงมันก็จากอยู่แล้วแต่เขาคิดเป็นอะพระโพธิสัตว์คิดเป็นแล้วก็ลูกก็เต็มใจที่จะทําอย่างที่พ่อต้องการนี่ยนะ เพราะว่าลูกเหล่านั้นเขารักพ่อมากพระองค์ก็ประทานพระราชบุตรทั้งสองพระองค์นั้นแล้วทําแผ่นดินให้หวั่นไหวแผ่นดินไหวครั้งที่บริจาคลูกเนี่ยถือว่าเป็นแผ่นดินไหวครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่4ใช่ไหมครั้งที่สครั้งที่หนึ่งเนี่ยตอนอายุ8ดขวบครั้งที่สองตอนบริจาคช้างครั้งที่สบริจาคสัสดกมหาทานครั้งที่4ก็บริจาคบุตรเนี่ยนะมันก็เป็นแผ่นดินไหวครั้งที่ส ขณะนั้นทั้งที่พระโพธิสัตว์เห็นอยู่นั่นแหละยักษ์ก็เปิดเผยตนตามเป็นจริงว่าข้าพเจ้าคือยักษ์ว่างั้นกลายก็มีดวงตากลมแล้วก็เหลือกเหลืองเหมือนเปลวไฟว่า ง, งั้นเหี้ยมมากมีเงี้ยวเนี่ยมีเขี้ยวเนี่ยงงไม่เสมอกันเนี่ยแสดงว่ามันยื่นออกมานะหน้าเกลียดหน้ากลัวมีจมูกบี้แบนมีผมแดงยาวแล้วก็ห ย, ยาบแล้วก็ยาว มีเรือนร่างเสมือนต้นตาลอนนะัต้นตาลที่ถูกไฟไหม้ใหม่ๆจับทารกทั้งสองพระองค์เหมือนกำเง่าบัวแล้วก็เคี้ยวกินคำนะว่าจับปั๊บก็ยัดเข้าปากเลยนะถ้าบอกว่าพูดอย่างงี้เป็นไปได้ยังไงบอกเป็นไปได้ถ้าสังเกตถ้าชาวชนบทบางกลุ่มเนี่ยเห็นกุ้งเห็นอะไรเนี่ยนะจับมาเข้าปากแล้วก็เคี้ยวเลยฉันใดยักษ์ก็มองเห็นฉันนั้นเนี่ยนะ พระมหาบุรุษมองดูยักษ์พอยักษ์อ้าปากก็เห็นปากยักษ์นั้นก็มีสายเลือดไหลออกเหมือนเปลวไฟเลือดหมาแล้วเวลาเคี้ยวกับเข้าไปเลือดก็แตกกันนะพระองค์ไม่เสียใจแม้เท่าปลายเส้นผมไม่เสียใจไม่ลำบากใจไม่เดือดร้อนใจไม่เครียดไม่หงุดหงิดไม่อะไรสักอย่างเลยนะเพราะอะไรเพราะคิดว่าสุธินังวัตเมทานังทานที่เราให้นี่เราให้ดีแล้ว เจตนาที่ให้เป็นเจตนาที่ดีแล้วไม่ได้ให้เขาเอาคือ ก, ก็ยกให้เขาไปแล้วอ่ะเขาจะมาอะไรก็เรื่องของเขาอ่ะไม่ใช่ภาระของเราก็เราให้ไปแล้วสุทินังวัตะเมธานังทานที่เราให้ให้ดีแล้วเนาะก็เกิดปีติโสมนัตมากในสรีระนึกถึงตอนให้ไม่ได้นึกถึงความตายของลูกท่านนึกถึงบุญที่ท่านให้นึกถึงเจตนาที่เสียสละออกไปคือเขาแยกว่าอะไรคือสาระ อันนั้นเขาคำนวณดูแล้วว่าระหว่างหนึ่งเจตนาของท่านสองบุตรที่ท่านให้ไปสผู้รับเพราะฉะนั้นท่านจะไม่เอาอไม่เอาบุตรเป็นที่ตั้งแห่งความขุ่นเคืองไม่เอายักษ์เป็นที่ตั้งแห่งความขุนเคืองเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธเป็นต้นไม่มีแต่ท่านนึกถึงใจของท่านที่ได้ให้ไปนึกถึงเจตนาที่ได้ให้ไปก็คิดว่าทานที่เราให้เนี่ยเป็นการให้อย่างดีอย่างนั้น พระโพธิสัตว์ก็อาศัยปีติโสมณะที่เกิดขึ้นนั้นตั้งความปรารถนาว่าด้วยผลแห่งทานของเรานี้ในอนาคตการขอรัศมีทั้งหลายจงแล่นออกไปโดยทํานองในเลือดที่พุ่งออกจากปากฉันใดขอเราจงมีรัศมีออกจากกายฉันนั้น เมื่อพระองค์อาศัยความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะรัศมีทั้งหลายก็เปล่งออกจากพระสรีระแผ่ไปตลอดสถานที่มีประมาณเท่านั้นเนี่ยนะปีติโสมนัติอย่างแรงกล้าเนี่ยนะพันอาศัยปีติอ น, นั้นแล้วก็ให้มีรัศมีซ่านออกไปเนี่ยนะก็แล้วก็สิ่งที่พระองค์ปรารถนาก็สำเร็จแล้วเนี่ยนะใจของพระองค์นี้เ็าบอกว่าสิ่งที่พระโพธิสัตว์ทำเนี่ยนะแม้แต่คนธรรมดา คิดก็ยังตกใจจะกล่าวไปยัยถึงทำตามบางคนอนุโมทนาอย่างอนุโมทนาไม่ขึ้นเลยนะขนะาดว่าท่านก็เหตุยังไงสมเหตุสมผลได้เป็นพระพุทธเจ้ามีพระรัศมีพะพูดถึงเหตุเมื่อไหร่ก็หน้าเบี้ยวหน้าบิดกันทางนั้นนะ่ะให้เกิดอะไรขึ้นนะทำไมหน่าจะอนุโมทนาว่าท่านทําได้นะนะอนุโมทนาชื่นชมว่าท่านทําได้ อันนี้เป็นเหตุอันหนึ่งในที่ทําให้พระองค์เนี่ยมีพระพุทธรัตติออกจากพระวรกายอย่างที่สองอีกเล่ากันมาว่าพระองค์นั้นตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์หรือพระโพธิสัตว์มังคละพุทธเจ้าพระองค์นี้เห็นเจดีย์ของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งนะไปบูชาเจดีย์คิดว่าควรที่เราจะสละชีวิตของเราเพื่อพระพุทธเจ้าพระองค์นี้อย่าลืมว่าท่านเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเนี่ย เป็นพระโพธิพสัตว์เนี่ย80อสงไขยเพราะฉะนั้นใน80อสงไขยก็พบพระพุทธเจ้านะนะตอนที่พระองค์ดับขันปรินิพานไปแล้วบางพระองค์ก็สละชีวิตเป็นพุทธบูชานีนะไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าตันหังกรเมทางกรสารนางกรทีปังกรโกรนธัญยะหรือองค์ใดองค์หนึ่งหรือว่าอดีตก่อนกว่านั้นอีกก็ตามเสร็จแล้วพระองค์ก็เลยให้คนอื่นเนี่ยช่วยพันสรีระพันทั่วทั้งตัวเลยนะ ทำนองพันด้ามประทีปเรียกว่าเอาภาพชุบน้ํามันแล้วพันตัวเองให้บรรจุถาดทองมีค่านับแสนซึ่งมีช่อดอกไม้ตูมขนาดศอกหนึ่งเต็มไปด้วยของหอมและเนยใสจุดไส้เทียนพันไส้เอาไว้ในถาดทองนั้นแล้วก็ใช้ศีรษะเทินถาดทองนั้นแล้วก็ให้จุดไฟทั่วทั้งตัวข้างบนก็มีประทีปส่องสว่างข้างบนไส้พันไส้ในที่ว่าสว่างมาก อันนั้นแล้วก็ทูนหัวประทิบน้ํามันอีกแล้วก็เอาผ้าที่พันเนี่ยชุบน้ํามันชุบตัวแล้วก็จุดไฟเผาคล้ายๆหันุมานจะเผาเมืองกลางา น, นั่นนะคล้ายแบบนั้นแล้วก็ชุบน้ํามันเอาแสงสว่างเนี่ยจากร่างกายเป็นพุทธบูชาทําประทักษิณเจดีของพระชินเจ้าให้เวลาล่วงไปตลอดทั้งคืนเดินจงเดินประทักษิณวนรอบเจดีเนี่ยทั้งคืนแสดงว่าบริเวณ น, นั้นโล่งมากเพราะถ้าเจดีไม่โลง่งใกล้ๆเนี่ยเจดีโวอดแน่ แต่มหมายถึงว่าแสดงว่าลานพระเจดีย์นี่ค่อนข้างใหญ่ท่านพิจารณาอยู่แล้วว่าไม่เป็นอันตรายต่อเจดีย์บางคนก็ไม่ใช่จุดทูบซะสาราไม่หมดก็มีเนี่ยนะก็มีอยู่วัดวัดหนึ่งมาโหจุดทูบจุดเทียนในท่าไหนไม่รู้วิหารผลานไปทั้งหลังเลยนะจะวาดปวดหัวเลยเนี่ยเออจะซ่อมยังไงขึ้นมานี่หลายล้านเลยแหละเพราะนั้นเวลาจุดทูบจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยในวัดในวิหารในพระเจดีย์นี่ก็ไม่งั้นก็ดูแลให้ดีๆหน่อยนะไม่งั้นเนี่ยผลานองค์พระเจดีย์แล้วก็เดือดร้อนในครั้นี้ แทนที่จะบุญกลับเศร้านะปีติเกิดนิดหน่อยที่เหลือโทรมานัดเกิดตลอดเนี่ยนะก็ไม่ใช่ละก็ไม่มีว่าจุดจุดอันนั้นจุดไฟเจดีแล้วเอาไฟอันนั้นอนะบูชาไม่มีหรอกนะี่ยนะไม่มีในคัมภีนะก็ต้องเวลาจุดประตูใครที่นักจุดทูบจุดเทียนจุดอะไรทั้งหลายก็ระวังให้ดีเนี่ยนะไม่ใช่ไปทําให้ทรัพย์เจดีเสียหายหมดนะก่อนก่อนที่เราจะไปก็เจดีสวยดีนะพอเรากลับออกมาแล้วก็เจดีเสียหายหมดไม่ใช่อย่างนั้น ก็ผู้ที่บูชาพระเจดีย์ก็ให้ดูแลเนี่ยนะว่าให้สมควรเป็นที่ตั้งแห่งการบูชาพระโพธิสัตว์นั้นก็เดินประทักศินรอบองค์พระเจดีย์ทั้งคืนเมื่อพระโพธิสัตว์พยายามอยู่จนอรุณขึ้นอย่างนี้ไออุ่นก็ไม่จับแม้เพียงขมขุนไม่ร้อนเลยนะไม่ไ ม, ไม่มีความรู้สึกว่าร้อนเลยในร่างกายได้เป็นเหมือนเวลาเข้าไปสู่ห้องดอกประทุม คารวะเย็นเหมือนเข้าไปอยู่ในห้องดอกบัวอย่างนั้นแหละจริงทีเดียวเชื่อว่าธรรมนี้แลย่อมรักษาบุคคลผู้รักประพฤติธรรมทำโมหเวรกคติธรรมจารีธรรมแล่ย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมผู้ใดประพฤติธรรมธรรมก็รักษาผู้นั้นเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าธรำโมหเวรคติธรรมจาริงรำโมสุจินโนสุขมาวหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเน ณทุกขติงคัตติธรรมะจารีรำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมทำโมสุจินโนสุขมาวหาติธรำที่บุคคลประพฤติแล้วย่อมนำความสุขมาให้ทั้งสุขในปัจจุบันทั้งสุขในสัมปรายภพอันนี้เป็นอ น, นิสงค์แห่งธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้วผู้ประพฤติธรรมย่อมไม่ไปสู่ทุกขติ